บานเราพัฒนานำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบัน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 นำเรื่องราวที่น่ารู้น่าสนใจข่าวสารที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนายกนตรีบนเอกประยุทธ์จันโอชามีประกาศพรกรฉุกเฉินนะครับเนะมือ่อวันที่25นะครับนะมีนาคมวเวลา 14.45 หนอนะครับแล้วก็มีการแถลงผ่าน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจห่งประเทศไทยนะครับก็มีมาตรการข้อกำหนดต่างๆนะครับเป็นการรวมศูนย์การบัญชาการนะครับมาที่นายงตรีะครับจากกระทรวงต่างนี่มาไว้ที่นายงตรีแล้วก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเพื่อที่จะา ม, มาตรการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของอโรคโควิด1 9นะครับที่กำลังตุ่นแรงนะครับเพราะฉะนั้นนตรงนี้นี่ก็ ดูรายละเอียดจากสื่อต่างๆแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีนายวิศนุเครือ ง, งามเด้นได้มาที่บายรายละเอียดของมาตรการต่างๆเมื่อเวลา15บหนกหลังจากนายกพลเอกประยุทธ์แถลงเสร็จเนี่ยนะครับรองนายกก็มาอธิบายนะบอกว่ากรณีพรากฉุกเฉินเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ในลิกาวันที่26มีนาคมจนถึงวันที่30เมษายนนะก็ประมาณเดือนกว่าๆแล้วก็สามารถที่จะต่ออายุเป็นคราวๆไปได้ครั้งละไม่เกิน3เดือนนะครับก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องนะประกาศมีมีผลบัคบใช้หลังจากมีมติคลรม2วันเพื่อให้ประชาชนและส่วนรชาชการเนี่ยปฏิบัตนะิให้เตรียมการไว้ นะและนายกนี่สามารถสั่งการได้เสมือนเจ้ากระทรวงแต่ก็ไม่ได้ก็ยังมีรัฐมนตรีอยู่รัฐมนตรีก็ยังรับผิดชอบเหมือนเดิมนะครับเนะพราะในตรงนี้นี่ก็นายกก็จะเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ทั่วประเทศมีรองนายกเป็นผู้ช่วยนะแล้วก็ตั้งนะประหลัดกระทรวงต่างๆขึ้นมารับผิดชอบนะดำเนินการนะประสานงานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ นายวิษณุนี่บอกว่ามีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 เนี่ยครับยกระดับขึ้นมาจากศูนย์เดิมศูนยะ์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นะแล้วก็จะมีการประชุมกันทุกวันแหละครับมีมาตรการมีอะไรต่างๆออกมานะครับแล้วก็ยังบอกด้วยบอกว่ามาตรการในพรลกฉุกเฉินมาตรการ ที่ห้ามทําก็คือการห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ที่ผู้วา่าราชการกําหนดไว้นะนะมีการปิดสถานที่สั่งปิดผู้วา่าแต่และผู้ว่านี่เคยมีคําสั่งมานะครับปิดห้างปิดอะไรต่างๆนะปิดสถานที่สถานบันเทิงเรืองดมอะไรต่างๆนี่ก็ยึดตามนั้นแหละครับนะเพราะในตรงนี้นี่ก็ต้องดูเพราะว่าผู้ว่าเนี่ยใช้อํานาจตามพรบรโรคติดต่อนะกำหนด ก็กำหนดที่ผู้ว่าเนี่ยเป็นคนสั่งปิดและนอกจากนี้ยังมีการห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้ามาในราอาณาจักรนะก็แสดงว่า ก, ก็คนต่างประเทศนี่เข้ามาไม่ได้ยกเว้นคนไทยเข้ามาได้อยู่นะครับเพราะว่าตามรัฐมนูนี่ยังให้คนไทยนี่กลับเข้ามาได้แต่ว่าต่างชาติก็มีการปิดทั้งในส่วนของนะทางสนามบินนะ ถ้าเรือหรือว่าในส่วนของทางทางบกทางเะไรต่างๆนะครับเป็นเป็นการอธิบายแหะครับอธิบายมาตรการนะว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับคนไทยเนี่ยจะกลับเข้ามาก็ต้องมีใบรับรองแพทย์เข้ามานะมายืนยันนะครับผ่านสถานทูตและต่างๆก็แล้วแต่ก็กลับเข้ามานะครับนะเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับแล้วก็มีการแนะนําหะครับน้องรองนายงตรีบอกว่า มีบุคคลสามกลุ่มนะควรอยู่บ้านแต่ตอนนี้ยังไม่ไมบังคับนะยังไม่บังคับแต่ว่าแนะนำบอกว่าทางการแพทย์บอกว่าส า, สามกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นคนแก่นะฮะคนแก่ที่อายุเกินกว่า70ปีนะกลุ่มแรกกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันทางเดินหายใจโรคปอดอย่างงี้อันที่3คือเด็กอายุไม่เกิน5ขวบ ก็ขอให้อยู่ที่บ้านนะเว้นแต่ต้องไปธุระมีความจำเป็นนะก็จะไปได้นะไปพบหมอไปติดต่อสาเหตุต่างๆนะครับนะก็ก็ยังได้อยู่นะครับเพรานะนั้นที่ตรงนี้นี่ก็แนะนำกันเฉยๆนะการเดินทางข้ามจังหวัดมีด่านนะจะมีด่านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจนะอสสเนี่ยตั้งด่านนะ ตรวจตานะมีดาสกัดนะมีการตรวจนะตรวจวัดตรวจตรวจสอบประวัติอะไรต่างๆนั่นแหละครับนะพอในตรงนี้นีน่ลองในลองในด น, านาตรีอธิบายอย่างนั้นนะครับนะพอฉะนั้นตรงนี้นี่เราก็ต้องดูนะไล่ดูตามตามระเบียบที่เขาเขาประกาศไว้นะครับนะแล้วก็เป็นตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูว่ามี ระเบียบประกาศอะไรอย่างใรนะครับนะซึ่งเราจะเห็นมีรายละเอียดอยู่นะครับนะคงต้องดูตามสื่อนะครับที่มีการเผยแพร่<ม>การเดินทางข้ามจังหวัดนี่ก็ยั ง, ย, งยังทมีมีต้องให้ด่านตรวจก่อนนะครับแต่เท่าที่ดูจากการที่รองนายกพมตีกล่าวนี่ก็ยังไม่ถึงขนาดมีการปิดกร100ัร้อยเอร์เซนตนะ การข้ามจังหวัดก็ยังไม่ได้ปิดกันร0 0เแต่ว่าก็มีด่านตรวจส่วนเห็นบอกว่าบริษัทบคสอะไรต่างก็จะไม่ไม่มีการจำหน่ายตั๋วโดยสารนะครับนะก็ตรงนี้นี่ก็คงจะต้องผู้ที่ไปจองก็ตอคืนบัตรนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคงคงจะต้องดูมาตรการนะครับที่มีการประกาศออกมานในแต่แต่ละแต่ละส่วนนะครับว่าว่าเป็นอย่างไรกันกันบ้างแล้วก็ ด, ดูตามนั้นนะครับสำหรับสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อนะครับโควิดนะ -19 เกนีก็มีการเปิดเผยของนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยทินโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะก็บอกวันที่25เนี่ยก็บอกว่านะมีการติดเชื้อเพิ่มอีก107รายนะครับนะแล้วมีสถานการณ์เพิ่มใหมนะ่แบ่งเป็นกลุ่มก็คือกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วย 27ลายก็คือกลุ่มสนามมวยนะครับนะแล้วก็มีกลุ่มสถานบันเทิงนะแล้วก็กลุ่มสัมผัสกับชาวต่างชาติและพวกที่เป็นร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียนะครับก็ติดนะและยังนอกจากนี้ยังบอกว่ามีแพทย์ติดเชื้ออยู่สองรายเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับเพราะในตรงนี้นี่คงต้องดูนะเป็นการเปิดเผยของของโคโกกระทรวงนะครับนะซึ่งเราก็ต้องติดตามรายละเอียด กันกันได้เหมือนกันคงจะต้องระมัดระวังคงใช้มาตรการที่ในส่วนของหมอบอกให้ลดระลงก็คือการอยู่บ้านนะครับนะการอยู่ที่บ้านนะไม่เดินทางมากไม่พบปะสังสรรค์ผู้คนนะครับนะก็จะทําให้การติดเชื้อลดลงนะกินร้อนช้อนกูก็คือช้อนของเราเองนะไม่ปะปนกับคนอื่นนะครับนะก็จะลดลงไปบ้าง แล้วก็ออกจากบ้านก็สวมหน้ากากอนามัยนะครับนะอยู่ในที่สาธารนณะที่สำคัญก็คือโซเชียลดิสแตนต์การอยู่ห่างกันลครับนะอย่างน้อย2เมตรเนี่ยก็จะป้องกันได้เหมือนกันแล้วฟังเพลงครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ คงเนาทเราคงเลื่อนอีกแล้วแก้วตาโควิดนายทินจากเมืองจีนข้ามแดนเข้ามาส่งแม่ให้นางตาหน้ากับแอนกอ็อสามพ่อหน้ากันหาเดิ บอกว่าคิดลาจนบอกเป็นอังทํงานเสพตีเมืองไทยชาปโรครายเล่นงนาะใส่แม้เท็ดเวียกอยู่บ้านอยู่ไผยอยู่มันคือทางรอดตาอย่าอยู่ใกล้พายอย่าให้ผู้ใด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 มีหนข้างฝ่าคอยเบิงหน้าจอรอไอออนไลน์ส่งหายัางเอาเดิ่ อ, อสัญญาเมื่อขอบิดซาสิมาก่อนหนะ้า ส่วนอ้ยนรือใช้เจลล้างมือคุณเด็กก่อนลาฮักแหงแพงปานหัวใจให้เจ้าปลอดภัยเดินลาขอแรงคนไทยต้านไทยรุ่งแรนหากันและมีสติ มีหนทางฟ้าคอยเบิงหน้าจอรออายออนไลน์ส่งหายังเอาเด้ล อ, อายสัญญาเมื่อโคบิดซาสิมากอดนาแพงทิ้งรออายเดิลลาเมื่อโคบิดซาสิมาคิดดอกหู พูดมาคุยกันต่อนะครับนะว่าจะอย่างไรกันนะครับในในส่วนของที่รัฐบาลมีนโยบายคืนค่าประกันค่าใช้ไฟฟ้ากับประชาชนทั่วไปนี่เจ้าบ้านนี่ไปแจ้งนะครับนะเาที่ผ่านมานี่การไฟฟ้ามีแอปนะมีแอปพลิเคชันนะไปดาวน์โหลดนะจาก ใน Play Store นะครับนะในจาก Play Store ได้นะครับก็ทั้ง Android ทั้ง OS เอนะโหลดแอ ป, ปมาทั้งการไฟฟ้านะครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็ลงทะเบียนนะลงทะเบียนในแอ ป, ปนะครับนะมีให้ลงทะเบียนนะครับเป็นหมายเลขบัตรประชาชนนะครับเสร็จแล้วก็จะคงจะมีการโอนให้ละครับนะทัแจ้งหมายเลขบัญชีของแบงค์เข้าไปก็จะโอนให้เหมือนกันแล้วก็ เป็นการลดพานละนะครับแล้วก็บอกว่าการแจ้งนะแจ้งขอคืนค่าประกันค่าใช้ไฟนี่ก็ไม่มีกำหนดก็คือสามารถแจ้งได้เรื่อยๆนะครับบางคนนึกว่าจะมีการมีมีเส้นตายนะก็รีบไปทำก็จนระบบล่มมจริงๆแล้วก็คงไม่จำเป็นนะสามารถที่จะแจ้งได้เรื่อยๆนะครับเป็นเป็นการสื่อสารกันมานะครับแล้วก็มีในส่วนของเศรษฐกิจ ไทยปีนี้นะครับนะก็จากการเปิดเผยของนายทิต น, นันมัลลิกมาศผู้ช่วยว่าการผวว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสายนโยบายการเงินในฐานะเลขานุ ก, การคณะกรรมการนโยบายการเงินกงง่งนงบอกว่ากรงงประชุมเมื่อวันที่25มีนาคมนะครับก็มีมติที่จะให้คงดอกเบีย้ยไว้ที่ 0.75 ต่อปี นะหลังจากรดลง2ครั้งนะครับในวันที่5กุมภานะแล้วก็ยีมีนานะครับภานี้ตรงนี้ก็คงดอกเบีย้ยไว้ที่ 0.7 น็ะครับพยายามที่จะมีนโยบายที่จะมาพยุงเศรษฐกิจกันนั่นแหละครับนะแล้วก็ภายใต้สถานการณ์ที่มองว่าการแพร่ระาบาดของไวรัสโควิด -19 กนะครับแตนะ่ก็จะสามารถควบคุมได้ในตรามา ท, ที่2 ก็เศรษฐกิจไทยนี use, ่ก็จะบอกว่ากอนงงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวหรือติดลบประมาณ 5.3 จากระยะเดียวกันของปีก่อนนะครับนะก็เป็นการคาดการว่าจะหดตัวแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของเศรษฐกิจไทยก็มาจากไวรัสโควิด19นี่นะครับทำให้ภาคส่งออกภาคท่องเที่ยวเนี่ยชะลอตัวละครับนะจำนวนนักท่องเที่ยว ต่างชาติเนี่ยหดตัวไปประมาณ 60% ในปีนี้นะครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงนะครับจาก 41.7 ล้านคนในปีที่แล้วก็จะเหลือประมาณ15ล้านคนเท่านั้นนะครับก็หายไปประมาณ เ, าเกือบ20ก่อนล้านนะครับนะก่อนเหลืออยู่แค่15ล้านในขณะที่เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าทั่วโลกก็จะชะลอตัวอย่างรุนแรงนะเราค้ากับทางยุโรปทางอเมริกาทาง จีนทางญี่ปุ่นทางอะไรต่างๆเหล่านี้และหลายประเทศนี่หดตัวมากนะครับก็บอกว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็คาดการว่าการส่งออกของไทยปีนี้จะหดตัวประมาณ 8.8 เปรเนนะคน ำ, นำเข้าก็จะหดตัว15ซนะซึ่งตรงนี้ก็จะกระทบต่อรายได้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจของชาวบ้านประชาชนในวงกว้าง การอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนหดตัวประมาณ 1.5 การลงทุนภาคเอกชนก็จะหดตัวประมาณ 4.3 เนะเงินเฟอ้อทั่วไปก็จะติดลบ1นะครับของปีนี้นะครับซึ่งนะตรงนี้นี่ก็ต้อ ง, อ ง, องพยายามที่จะหามาตรการที่จะมาแก้ไขวิกฤตนะก็โดยเฉพาะตอนนี้จะมีการ ให้เงินอุดหนุนเงินสำหรับคนตกงานประมาณสามล้านคนนะเเป็นลงทะเบียนผู้ที่ถูกเลิกจ้างงานนะครับซึ่งก็ให้คืนเงินให้ช่วยเหลือกันสามเดือนนะครับก็ก็เป็นการจุนเจือกันเพราะว่ามีการปิดห้างร้านอะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้ลูกจ้างรายวันเหล่านี้นต้องขาดรายได้นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะ ไปเช่าห้องเช่าอะไรอยู่ก็ต้องเดินทางกลับนะก็จะมีผลกระทบเหมือนกันในการที่หลายคนเกรงกลัวว่ามีการแพร่เชือ้อโควิดนะจากกรุงเทพไปสู่ส่วนต่างๆซึ่งต้องมีมาตรการในการควบคุมซึ่งตรงนี้นี่คงทางราฐก็ใช้อสมอนะไปติดตามดูแลการสำหรับคนที่กลับจากกรุงเทพและต่างประเทศนะมีการกักกันตัวอยู่14วันนะครับนะ กักตัวกันอย่างเข้มข้นก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับนะ ใ, นในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้การแพร่ระบาดเน่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ะจะมีมาตรการที่ลณนลงกันนะครับนะกินร้อนช้อนกูคือแยกช้อนครับช้อนไข่ช้อนมันนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับนะโดยเจลล้างมือ นะก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยนะครับถ้าไปในที่ชุมชนหรือออกจากนอกบ้านเนี่ยนะครับนะไปยังที่สาธารณะนะก็ป้องกันไว้เราจะเห็นในต่างประเทศนะครับนะดยอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นี่ค่อนข้างที่จะเข้เขมงวดมากนะครับเราจะเห็นตามร้านอาหารนี่นะครับถ้ามีร้านอาหารนี่ก็จะวางโต๊ะห่างกัน นะนะนะหลายหลายแห่งก็ไม่มีนะไม่มีหน้าร้านไม่ไม่ไม่ให้ไปทานในร้านก็ส่งมาซื้อแล้วก็นำกลับบ้านอย่างเดียวนะครับแล้วก็การเข้าคิวกันนี้ก็ห่างสองเมตรนะการเข้าคิวซื้อตัวโดวยสารซื้ออาหารและต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องทำอย่างเข้มงวดแล้วก็มีการสวมหน้ากากาอนามัยกค่อนข้างที่จะเข้มแล้วมีการควบคุมให้ มีการปิดเมืองกันเต็มที่เลยนะครับแถวแถวจีนแถวประเทศอื่นนะครับนักเกาหลีและต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะเข้มนะครับนค่อนข้างที่จะเข้มทำให้ยอดการระบาดนี่ชะลอตัวนะครับหรือลดลงของจีนนี่เห็นบอกว่าการแพร่ระบาดนี่ไม่มีมีอยู่ 3-4 มสี่วันที่ไม่มีคนไข้เพิ่มเลยนะครับก็แสดงว่าเขาประสบความสำเร็จความทั้งการคิดคน้นเา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 ันานขอส่งแรงใจให้คุณหมอพยาบาลหมดงานนินละนามแห่งสาธารณสุข น, นาคากนั้นมไม่พอสำหรับคุณหมอพยาบาลและผู้ป่วยใครมี ขอจงมาช่วยมาบริจาคให้โรงพยาบาลรดมมำรงให้มันล้างมือกินร้อนใช้ช็อตกลางส่วนตัวป้องกันสัมผัสสารคัดหลังระวังมือที่เปื้อนไปจับไปหนะ้าทิ้งนากากติดเชื้อให้ถูกที่ถูกทาง ใคที่เสียงกอให้อยู่บ้านส4วันจงร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันไม่เห็นแต่ตัวในภาวะที่ขับขันข้ามลกลายไปด้วยกันสามที่เถิดพ้องไทย